เพราะวันนี้คณะที่ทํางานห้องปลอดเชื้อองค์หลวงตาเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้ไปดูและเสร็จเรียบร้อยแล้วตก้างนอกนะทางนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวนี้กําลังจะเอาเครื่องอุปกรณ์อุปกรณ์ ก, รการแพทย์อุปกรณ์ทําความอุ่นอุปกรณ์ที่จะใช้ในห้องปลอดเชื้อกําลังจะทําอยู่แล้วก็คณะที่ทํางานก็ได้มาพูดกับหลวงพ่อเมื่อกี้นี้ว่า ขอให้หลวงพ่อพูดสันส้นๆสักหน่อยพูดความหมายนะวันนี้เพราะว่าจะได้ทจะได้ปิดไฟแล้วก็จะได้เริ่มทำงานในห้องของหลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อจะไม่ได้พูดยาววันนี้จะพูดให้แจ้งอาการอาภาษขององค์หลวงตาพอจะพอจะบอกกล่าวให้แก่คณะสัตยาติโจมลูกหลานได้ทราบ ตั้งแต่วันที่7วันที่7มกราตั้งแต่เมื่อวานมาถึงวันนี้วันที่8มกราพุทธศักราช2554อาการอาภาษหลวงตาเป็นยังไงเพราะว่าผู้ที่อยู่ทางบ้านอยู่ทางไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เคยมากราบมาไหว้เคารพศรักธาในองค์หลวงตาของพวกเราแต่มาไม่ได้หรืออยู่ในบ้าน ก็อยากจะทราบว่าองค์หลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นยังไงอาการของท่านนี่แหละหลวงพ่อก็มาคิดถึงจุดนี้เหมือนกันขนาดหลวงพ่อเองไปอยู่ในวัดหลวงพ่อก็ยังถามไทยถึงหลวงตาอยู่ตลอดผู้อื่นก็คงจะเหมือนกับหลวงพ่อนะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นก็นเพื่อให้พี่น้องคณะทาไทญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า ผู้ติดตามข่าวข่าวขององค์หลวงตาได้รับทราบเป็นวันๆ น, นะแล้วก็เมื่อวานเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมาอง์หลวงตาไม่ได้ฉันอาหารนะเมื่อวานตั้งแต่เมื่อเช้าวานมานะท่านฉันอาหารไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่ว่าอาหารที่ถวายหลวงตาเนะ่ยโดยมากกับคณะแพทย์คณะแพทย์ พอชนาการจะเอาเอาอาหารไปถวายหลวงตาเนี่ยเอาไปถวายน้อยๆ ใ, ในถาดเพื่อจะให้หลวงตาได้ฉันแต่หลวงตาบอกว่าเอามาทําไมน้อยนักเอเอทาไมเอามาน้อยนักเพราะหลวงตานี่กว้างขวา ง, วางพอที่ได้เอามามากๆทางเอออันนี้เอาไปให้คนนั้นฮะนไปให้คนนั้นเอาให้ไปให้คนนั้นเออก่อนหลวงตาจะฉันเนี่ยแหละ ความเมตตาของหลวงตานะแต่เพื่อทำเล่น้อยเนะี่ยหลวงตาเห็นแล้วเอามาทําใหม่น้อยนักนะเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่จัดอาหารเข้าไปถวายนี่ก็ไม่อยากจะให้หลวงตาฉันนั่นอึดเหมือนกันแต่อยากจะให้ฉันจะเฉพาะอแต่หลวงตาทิศสัยของหลวงตาไม่เป็นอย่างนั้นหลวงตาในท่านมีเมตตาท่านมีทานทานะคือเมตตาอยู่ในใจของท่านเต็มเปี่ยมพอมาเห็นอาหารเออเ อ, นะอันนี้ไปให้คนนั้นไปอันนี้ไปให้คนนั้นไป เออเพื่อความสบายใจของท่านอันนี้แหละคือความเมตตาขององค์หลวงตานะวัะ น, นั้นเมื่อวานในท่านก็ทานอาหารไม่ได้แต่ว่าสายน้ำเกลือสายอาหารนะ่ะยังเข้าอยู่ในเส้นเลือดอยู่ให้อาหารทางทางสายเลือดออทางเส้นเลือดถวายอาหารทางเส้นเลือดส่วนยาปฏิชีวนะเนี่ยครบโดดเมื่อวานนี้นะครบครบชดว่างั้นเถะ คือยาปฏิชีวนะนี่ถวายท่านเพื่อระงับระงับเชือ้อเชือ้อราหมอทางศิลิราชเขาว่าระงับเชื้อราในในเส้นเลือดในตัวของท่านครบครบแล้วเมื่อวานนี้ครบรถเมื่อวานนี้แต่เดนนี้ก็ยังให้พวกน้ําเกลือนะยังถวายน้ําเกลืออยู่แล้วก็ยาทางทางอะไรไ<ม>เขาเรียกอะไร ภาษาแพทย์ภาษาหมอเนี่ยเขาว่าสารอันอันบรูมินไงสารอันบรูมินไงอันนี้ก็คือสารตัวหนึ่งที่เอาเข้ายังเอาเข้าอยู่ในขณะนี้นะมีอยู่สองอย่างคือสารอาหารกับสารอันบรูมินนะี่ยเมื่อวานนี้ก็ท่านเขาพักมีแต่บนว่าเหนื่อยแต่ก็ดีขึ้นนะเมื่อวานนี้น ะ, ะสุขภาพลุกตาดีขึ้นนะเมื่อวาน พราะ5โมงเย็น5โมงเย็นนี่ลวงตาป ะ, ปะออกเอ่อทางตอชดอทางผลลัพทางหลายก็เอารถกอปไปรับลงตาเมื่อวานนี่นะเออลงตากนั่งรถก๊อปเข้ามาข้างในแล้วก็นู่นออกไปทางนอกเมื่อวานนี่เออนั่งรถกอปออกไปทางนอกเมื่อวานในการเดินทางของลงตาได้ตั้งนาฬิกาดูลงตาออก นั่งรถก๊อปเมื่อวานนี่40นาทีบหมนกันนะ40นาทีจากนั้นขันก็เข้าไปพักพักท่านก็นอนหลับนี่แหละแต่ี้กลางคืนตั้งแต่เมื่อคืนมาน้ำวานมาเนี่ยเขารายงานมาตั้งแต่วันที่7นะสรุปอาการอาภาษณ์ขององค์หลวงตามหาบวญยนสัมปันโนวันที่8มกราคมพุทธศักราช2554นี่เนี่ยคือวันนี้นะ คณะแพทย์กาเปลียนถวายรายงานอาการอาภาษ ต, ต่อองค์ต่อคณะสงฆ์ว่าเมื่อวันที่เจมกราคมหลวงตามีอาการไอบ่อยครั้งมีเสมหะเหนียวทายเหลวสีน้ำตาลแต่นี่เขาบอกว่าหนึ่งครั้งแต่หลวงพ่อถามพระว่าสองครั้งหนะ้าเมืม่อวานนี่น ะ, ะปัจชะวะปัะวสีครั้งสัญญาณ สัญญาณชีพปกติไม่มีไข้บ่นว่าเหนื่อยคือสัญญาณชีพก็คือหัวใจอปอดความดันอะไรปกติมดทุกอย่างอของหลวงตานะไม่ผิดปกติและก็ไม่มีไข้แต่ว่าหลวงตาว่าบ่นว่าเหนื่อยตอนเย็นหลวงตานั่งรถรถก๊อฟออกไปโปรดเยี่ยมลูกศิษย์ที่หน้าวัดตอนกลางคืนหลวงตาไอบ่อยมีเสมหะเหนียว พอไอออกได้บ้างบ่นว่าเหนื่อยจําวัดได้บ้างแพทย์ถวายการรักษาด้วยสารน้ําสารอาหารทางหลอดเลือดยาปฏิชีวนะให้ครบตามกําหนดแล้วพิยาปฏิชีวนะหยุดแล้วให้ครบตามกําหนดแล้วครบดดสแล้วงั้นคณะนี้ได้หยุดให้ไปแล้วและให้สารอัลบรูมิน อันรูมินทางหลอดเลือดอันนี้คณะแพทย์จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกันคณะศิษย์นะแล้วก็ขอให้พวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท่านเนอะที่มาทำบุญร่วมทำบุญวันนี้ก็ขอใหเอ้เป็นคนดีวันนี้เป็นวันเด็กเมื่อเช้านี่ก็หลวงพ่อบินทบาทเห็นลูกหลาน ลูกเล็กเด็กแดงตัวเล็กๆพ่อแม่ก็ฝึกหัดให้ใส่บาตรฝึกหัดให้ทำบุญนี่แหละเป็นประเพณีอันดีงามต่อไปภายภาคหน้าพวกเราสอนลูกสอนหลานให้ทำบุญทำสร้างบุญสร้างกุศลในเมื่อเขาใหญ่ขึ้นมานะเขาเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจิตใจเขาก็จะได็กว้างขวางเห็นพ่อเห็นแม่เห็นวงสาร้านายาศเขาก็จะได้ช่วยเหลือในเมื่อจําเป็นคราวจําเป็นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะว่าเขาเคยมีอุปนิสัยในการให้มาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่าพ่อแม่บางคนน่ะไม่อยากจะสอนจะให้ลูกหลานของเราประหยัดเนไม่อยากจะให้ทําบุญไม่อยากจะให้หลดให้หล่นสอนให้เขาขี้เหนียวนะพอเขาใหญ่ขึ้นมากับการเสียสละเขาก็ไม่มีนะทีนี้ผลที่สุดเห็นพ่อเห็นแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทั้งที่เขามีเงินเขาก็ไม่ให้ พราเหตุไร พ, พ่อแม่สอนให้เขาขี้เหนียวนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปนิสัยนะ อ, อย่างหลวงตาของเราเนี่ยท่านสอนให้ลูกศิษย์ลูกหา เ, เสียสละนะเจือเอจือจานนะดูรอบข้างนะ อ, อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะโดยมากท่านสอนลูกศิษย์ฝ่ายพระสงฆ์ท่านสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยดูดสิแต่ละวัดเนี่ย บริเวณที่ท่านอยู่โดยมากท่านจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ชาวบ้านบ้างคนที่ยากจนบ้างโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างตามที่หลวงตาพาแนะนําพาสั่งสอนพาปฏิบัติมาหลวงตาเนี่เหมือนกับหม้าอาชนายอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานนี่ยแต่พวกเราเนี่เหมือนเป็ดแต่ก็วิ่งพยายามวิ่งตามวิ่งตามหลวงตาหลวงตาพาดําเนินหลวงตาพาดําเนิน ท่านให้มีน้ำใจให้มีเมตตาแต่พวกเราก็พยายามเดินตามที่องค์หลวงตาพาดําเนินหลวงพ่อคิดว่านะลูกหลานทุกคนนะหลวงตาพานนันธุนะไม่ผิดน ะ, เ, ะเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางที่ดีงามทั้งนั้นแหละพอหลว ง, งตาสอนมิจจะสอนให้พวกเรามีมั่งมีน้ําใจมีเมตตาต่อกันนะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากเพราะทางห้องปอดเชื้อเขาจะ เริ่มทำงานแล้วนะขอชี้แจงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเนะ้ด้วยอันดับแรกนะเอาขอให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานาด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายลูกหลานทุกคนลูกศิษย์ทุกท่านทั้งอยู่ในทางไกลและทางใกล้ <c oughs> เมื่อได้ยินเสียงนี้นะขอให้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นหนึ่งเดียว ด้วยบุญด้วยกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้บุญกุศลที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้เป็นพรังเกื้อกูลหนุนสุขภาพขององค์หลวงตาขอให้หายจากโรคคาพยาติขอให้หลวงตาเป็นร่มโพร่มใจของพวกเรา นานเท่านานด้วยเธอ